บทที่6การเจริญสติในชีวิตประจำวันการเจริญสติมีทั้งส่วนที่เป็นสมถกรรมฐานอันได้แก่การเจริญอนุสติสิบประการเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานสติเป็นต้นและส่วนที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานอันได้แก่การเจริญสติปัฐานสเฉพาะในบัพพะ ที่มีรูปนามเป็นอารมณ์สำหรับคำว่าการจเจริญสติในบทความนี้หมายความถึงการจเจริญวิปัสสนาเท่านั้นแต่ที่ผู้เขียนไม่ตั้งหัวข้อบทความว่าการจเจริญวิปัสสนาในชีวิตประจาวัน<ม>ก็เพราะพวกเรามักคุ้นเคยกับคำว่าการจเจริญสติในชีวิตประจาวันมากกว่าการจเจริญสติในชีวิตประจาวัน เป็นสิ่งที่สำคัญมากถึงขนาดเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการเจริญวิปัสสนาทีเดียวแต่พวกเรากลับให้ความสำคัญน้อยกว่าการเจริญสติตามรูปแบบซึ่งมีอารมณ์กรรมฐานที่มีรูปแบบการปฏิบัติที่ตายตัวอย่างใดอย่างหนึง่งก่อนจะกล่าวถึงการเจริญสติในชีวิตประจาวันจะขอกล่าวถึงตัวอย่างของการเจริญสติตามรูปแบบสักเล็กน้อย เช่นผู้ที่เจริญกายานุปัสนาสติปฐานจะมีอารมณ์ของวิปัสนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือ 1. ลมหายใจ 2. อิเรียบทใหญ่ 3. อิเรียบท ย, ย่อ ย, ย, อยผู้ที่ใช้อิเรียบทใหญ่เมื่อปฏิบัติมากเข้าก็มักจะควบการรู้อิเรียบทย่อยเข้าไปด้วยและ 4. ทธาตุสี่ท ส่วนรูปแบบหรือวิธีการรู้อารมณ์ก็แตกต่างกันออกไปอีกในแต่ละสำนักเช่นบางท่านรู้ลมหายใจที่กระทบปลายจมูกบางท่านตามลมซึ่งกระทบฐานกายที่จมูกอกและท้องบางท่านรู้ธาตุไฟในลมหายใจบางท่านใช้ลมเป็นนิมิตในการทำสมถกรรมฐาน แล้วไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานในแนวทางของสมถยานิกบางท่านรู้อิริยาบถใหญ่โดยหน่วงการเคลื่อนไหวให้ช้าลงบางท่านสร้างจังหวะการเคลื่อนไหวให้ละเอียดมากขึ้นบางท่านใช้อิริยาบถอย่างเดียวเป็นหลักเช่นการเดินจงกรมและบางท่านรู้อิริยาบถสี่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นต้น ผู้เจริญเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานแม้จะมีอารมณ์คือเวทนาอย่างเดียวแต่ก็มีรูปแบบหรือวิธีการรู้อารมณ์ที่ต่างกันอีกเช่นบางท่านรู้เวทนาทางใจไปตามธรรมชาติแต่บางท่านเฝ้ารู้เวทนาทางกายแบบยอมตายถวายชีวิตคือไม่ยอมเปลี่ยนอิริยาบถแม้ความทุกข์จะบีบคั้นห น, หนักหน่วงเพียงใดก็ตามผู้จเจริญจิตานุปัสนาสติปัฏฐาน แม้จะมีอารมณ์คือจิตอย่างเดียวแต่ก็มีรูปแบบหรือวิธีการรู้อารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปบ้างเช่นบางท่านรู้จิตไปตามธรรมชาติคือปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจทํางานไปตามธรรมชาติแล้วเฝ้ารู้จิตที่ผันแปรไปเรื่อยๆในขณะที่บางท่านปิดอาญตนะทางกายทั้งหมดแล้วเฝ้ารู้อยู่ที่จิตอย่างเดียว ผู้เขียนเห็นว่าการเจริญสติตามรูปแบบนั้นหากทำได้ถูกต้องตรงตามหลักการและวิธีการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรละเลยก็คือการเจริญสติในชีวิตประจำวันเพราะชีวิตส่วนใหญ่ของพวกเราใช้ไปกับกิจกรรมธรมธรมดาทั้งหลายนี้เองเช่นยืนเดิน นั่งนอนขยับกินดื่มขับถ่ายทำพูดคิดดูฟังดมไม่ใช่ชีวิตในห้องฝึกกรรมาฐานซึ่งเราเข้าฝึกกันเพียงช่วงครั้งช่วงคราวหากละเลยการเจริญสติในชีวิตประจำวันก็เท่ากับละเลยโอกาสส่วนใหญ่ในการเจริญสติทีเดียวการเจริญสติในชีวิตประจำวันนั้น เป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตซึ่งมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือบางครั้งตาก็เห็นรูปบางครั้งหูได้ยินเสียงบางครั้งจมูกได้กลิ่นบางครั้งลิ้นรับรสบางครั้งกายรับสัมผัสและบางครั้งใจรับธรรมารมในชีวิตจริงเราจึงเลือกอารมณ์กรรมฐานไม่ได้ เช่นจะรู้กายอย่างเดียวหรือจะรู้จิตอย่างเดียวไม่ได้การเจริญสติในชีวิตประจำวันนั้นหากอารมณ์รูปนามอย่างใดปรากฏทางทวารใดก็พึงใช้อารมณ์นั้นเป็นอารมณ์เจริญวิปัสสนาไปได้เลยไม่จำเป็นต้องยึดอยู่ในอารมณ์ที่แน่นอนตายตัวอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะทั้งนี้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ใช้อารมณ์ทั้งรูปและนามก็คือ การเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองนอกจากนี้การรู้รูปนามทั้งหลายเหล่านั้น<ๆ>ก็ไม่มีรูปแบบหรือวิธีการที่ตายตัวคือไม่มีการตั้งท่าหรือการกาหนดจดจ้องอย่างนั้นอย่างนี้เช่นให้เดินท่านั้นให้นั่งท่านี้ให้กาหนดจิตตั้งไว้ที่จุดนั้นจุดนี้เป็นต้นเพียงแต่มีเงื่อนไขว่าหนึ่ง ต้องรู้รูปนามที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจด้วยจิตที่มีสติสัมปชัญญะในความเห็นของผู้เขียนสัมมาสมาธิและโยนิโสมนสิการเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดปัญญาหรือสัมปชัญญะหรือ 2. ต้องรู้รูปนามด้วยจิตที่ตั้งมัน่น หรือมีสัมมาสมาธิหรือ 3.. ต้องรู้รูปนามโดยมีความรู้สึกตัวหรือ4ต้องรู้รูปนามด้วยความไม่หลงคือไม่หลงดูหลงฟังหลงดมหลงลิ้มรสหลงสัมผัสและหลงคิดนึกปรุงแต่งทางใจเช่นไม่หลงส่งจิตถลำก็ไปจมแช่ในอารมณ์ไม่หลงตามดูอารมณ์ภายในที่เคลื่อนไหวไปจนลืมตัว และไม่หลงปรุงแต่งสมมติบัญญัติสิ่งใดเพิ่มเติมลงไปในการรับรู้นั้นหรือ 5. ต้องรู้รูปนามด้วยจิตที่ปราศจากตัณหา6ประการคือปราศจากความทยานอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโภธภะและธรรมารมหรือ6ต้องรู้รูปนามอย่างสักว่ารู้คือไม่ทำสิ่งใดหลังจากการรู้ เช่นไม่แรกแสงจิตและอารมณ์รู้แล้วจบอยู่แค่รู้นั้นไม่ทากระทั่งการพยายามละกุศลธรรมและการพยายามสร้างและรักษากุศลธรรมแต่ปล่อยให้สภาวธรรมทั้งหลายนั้นเป็นไปตามที่เขาเป็นเพียงแต่มีสติตามรู้เขาไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเท่านั้นสภาวทั้ง6ประการนี้มีเนื้อหาเป็นอันเดียวกัน ต่างกันแต่ถ้อยคําและแง่มุมที่มองเท่านั้นคือจิตที่มีสติสัมปชัญญะจะต้องประกอบด้วยสัมมาสมาธิเสมอจิตที่มีสัมมาสมาธิก็ย่อมตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวหรือมีความรู้สึกตัวจิตที่รู้สึกตัวก็คือจิตที่ไม่หลงตามอารมณ์จิตที่ไม่หลงตามอารมณ์ก็คือจิตที่ไม่ถูกตันหาผลักดันและจิตที่มีสติสัมปชัญญะ มีสัมมาสมาธิมีความรู้สึกตัวมีความไม่หลงหรือไม่ถูกตันหาผลักดันก็ย่อมสักว่ารู้อารมณ์ได้ตรงตามความเป็นจริงเมื่อใดผู้ปฏิบัติสามารถรู้รูปนามด้วยจิตที่มีสภาวธรรมเหล่านี้ก็ย่อมสามารถจำแนกรูปนามอันเป็นอารมณ์ปรมาติตกับความคิดนึกปรุงแต่งหรือสมมติบัญญัติออกจากกันได้สมมติบัญญัติทั้งหลาย จึงไม่อาจปิดบังความจริงหรืออารมณ์ปรมาติได้ต่อไปเมื่อรู้อารมณ์ปรมาติได้แล้วจะพบความจริงว่ารูปนามไม่ใช่ตัวตนของตนความเห็นผิดว่ารูปนามเป็นตนและความยึดถือรูปนามก็จะถูกทำลายไปตามลาดับแล้วความทุกข์เพราะความยึดมั่นว่ารูปนามเป็นตนก็จะหมดไปเหลือแต่ความทุกข์ของรูปนามหรือขันห้าไปตามธรรมชาติ จนกว่าจะสิ้นวิบากรรมเท่านั้นผู้เขียนเห็นว่าไม่ว่าเพื่อนนักปฏิบัติจะชอบแนวทางการปฏิบัติที่ผู้เขียนกล่าวถึงนี้หรือไม่ก็ตามหากท่านจเจริญสติปัฏฐานด้วยการตามรู ป, รปหรือนามอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วท่านย่อมพัฒนาการปฏิบัติไปสู่การจเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้เอง คือจะรู้ได้ทั้งรูปและนามไม่ใช่รู้ได้เฉพาะรูปบางอย่างหรือนามบางอย่างดังที่เคยทำมาเมื่อเริ่มการปฏิบัติใหม่ๆและรู้ได้โดยไม่มีวิธีการอะไรมากมายคือแค่ลืมตาขึ้นมาเห็นรูปก็เจริญวิปัสสนาได้แล้วขอเพียงมีสัมมาทิฏฐิคือมีความรู้ถูกเข้าใจถูกเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเจริญวิปัสสนา ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เราก็จะสามารถเจริญสติได้แทบทั้งวันยกเว้นในเวลาหลับในเวลาเผลอและในเวลาที่ต้องทำงานซึ่งใช้ความคิดเท่านั้นต่อจากนี้ไปจะเล่าถึงการเจริญสติในชีวิตประจำวันดังนี้ 1. ศีลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ก่อนการเจริญสติ ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติตามรูปแบบหรือการเจริญสติในชีวิตประจําวันสิ่งที่จําเป็นและขาดไม่ได้ก็คือการรักษาศีลเพราะศีลเป็นเครื่องกั้นไม่ให้ผู้ปฏิบัติตกไปสู่ความชั่วหยาบทางกายและวาจาและเป็นเครื่องนําความสงบร่มเย็นมาสู่จิตใจของผู้ปฏิบัติอันเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมในขั้นสูงต่อไป ผู้ปฏิบัติที่ไม่มีศีลแล้วข้ามขั้นไปเจริญสมาธิและปัญญาจะมีโอกาสพลาดมากเหลือเกินผู้ไม่มีสัมมาสมาธิแล้วข้ามไปเจริญปัญญาก็มีโอกาสพลาดมากเช่นกันทั้งนี้ศีลสมาธิและปัญญาเปรียบเหมือนไม้สามท่อนที่วางพิงกันดึงออกอันเดียวก็ล้มทั้งหมดหรือถึงตั้งอยู่ได้ก็อยู่อย่างคลอนแคลนเต็มที ตัวอย่างเช่นพระเทวทัตซึ่งฝึกสมาธิจนได้อปปนาสมาธิและอภิญญาจิตแต่เพราะไม่มีศีลจึงใช้ความสามารถทางจิตไปในทางที่ชั่วและนำความหายณะมาสู่ตนเองในที่สุดส่วนผู้เจริญปัญญาหากละเลยศีลก็อาจหลงเตลิดไปเป็นมิจฉาทิฐิหรือกระทำความผิดบาปได้โดยง่ายเช่นเคยได้ยินว่า มีบุคคลผู้หนึ่งตบหน้าผู้อื่นด้วยจิตว่างคือเห็นว่าผู้อื่นไม่จิตศัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจะทำร้ายอย่างไรก็ได้ไม่เป็นบาปเพราะทำไปด้วยความไม่ถือมั่นนี่ถ้าผู้นี้มีศีลก็จะไม่ทำบาปเช่นนี้เลยผู้ปฏิบัติควรํำระจิตใจให้หมดจดจากเครื่องกังวลด้วยการตั้งใจงดเว้นจากการทำบาปอากุศลอย่างน้อย5ประการ หรือการสมาทานศีลห้านั่นเองผู้เขียนจะไม่บรรยายเรื่องศีลห้าเพราะถือว่าศีลห้าเป็นมาตรฐานของความเป็นมนุษย์ซึ่งผู้สนใจการจเจริญสติทุกคนมีหน้าที่จะต้องศึกษาและถือปฏิบัติด้วยตนเอง สเงื่อนไขที่จาเป็นสำหรับผู้เจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญานอกจากการรักษาศีลอันเป็นเรื่องศีลสิกขาแล้วผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญวิปัสสนาอันเป็นเรื่องของจิตสิกขาด้วยทั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่าเพื่อ น, นักปฏิบัติจานวนมาก มักละเลยจิตตสิกขาในสองลักษณะคือหนึ่งบางท่านมุ่งทำสมาธิเพื่อเอาความสงบแบบขาดสติลืมเนื้อลืมตัวจนจิตประกอบด้วยโมหะและโลภะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็เช่นผู้ที่ชอบเปิดเทพธรรมะคลอไปในระหว่างการนั่งสมาธิและปล่อยจิตให้เคลิบเคลิ้มไปการกระทำเช่นนี้ไม่ได้ประโยชน์เลยทั้งในด้านปริยัต ปฏิบัติคือจะฟังเอาความก็ไม่ได้ความและจะฟังเอาสติก็ไม่ได้สติและ 2. บางท่านไม่สนใจเรื่องการสร้างสัมมาสมาธิเลยตัวอย่างเช่นผู้ที่จู่ๆก็กระโดดเข้าไปจงใจกําหนดรู้รูปนามด้วยอํานาจของตัณหาโดยคิดว่าถ้ากําหนดรู้รูปนามได้แล้วจิตจะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นเองผลที่ได้ก็คือ การเพ่งกับเพ่งเช่นเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้งทองเพ่งเวทนาเพ่งกิเลสและเพ่งจิตเป็นต้นพวกเราควรตระหนักว่าจิตสิกขาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่สิ่งจำเป็นแล้วพระพุทธเจ้าคงไม่ส่งสอนว่าให้เสียเวลาเรื่องจิตสิกขาเป็นสิ่งจำเป็นมากที่จะต้องเรียนรู้ และลงมือพัฒนาจิตให้เกิดสัมมาสมาธิหรือธรรมเอกหรือความตั้งมั่นของจิตหรือความรู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อว่าเมื่อเวลาที่สติระลึกรู้อารมณ์แล้วจิตจะได้เป็นกลางและไม่หลงอารมณ์จึงจะเกิดปัญญารู้ลักษณะของอารมณ์ได้ตรงตามความเป็นจริงหากจิตขาดสัมมาสมาธิคือไม่ตั้งมั่นผู้นั้นจะไม่มีทางจเจริญสติให้เกิดปัญญาได้เลย ทั้งนี้อาการของจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิจะตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะ วิธีการสร้างความตั้งมั่นของจิตที่พระพุทธเจ้าส่งสอนไว้ในพระสูตรจำนวนมากได้แก่การทำอัปปนาสมาธิในระดับจตุตฌานแต่สำหรับผู้ที่ทำฌานไม่ได้ก็ยังไม่สิ้นหวังเสียทีเดียวผู้เขียนขอเสนอวิธีการง่ายๆอย่างหนึ่งคือการหัดสังเกตความไม่ตั้งมั่นของจิตโดยหนึ่งเบื้องต้นให้ทำใจให้สบายสบาย แล้วมีสติระลึกรู้อยู่ในอารมณ์อันเดียวอันไม่ยั่วกิเลสเช่นการคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์หรือคิดถึงคุณงามความดีเช่นทานหรือศีลอันไม่ด่างพร้อยของตนหรือจะใช้การบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมพุทโธหรือจะตามรู้ลมหายใจรู้อาการยืนเดินนั่งนอนรู้อาการคู่เหยียดมือรู้อาการยกย่างเท้า รู้อาการผ่องยุบของท้องก็ได้2จากนั้นให้คอยสังเกต จ, จ, จิตใจของตนเองเป็นระยะๆะะจะพบว่าบางขณะจิตก็รู้อยู่ที่อารมณ์อันเดียวนั้นบางขณะจิตก็หนีไปจากอารมณ์นั้นบางขณะจิตก็จมแช่เข้าไปในอารมณ์นั้นและบางขณะก็แยกอยู่ต่างหากจากอารมณ์นั้นเป็นต้น ตัวอย่างเช่นเรากำหนดลมหายใจอยู่อย่างสบายๆแล้วสังเกตรู้ทันจิตว่าบางคราวจิตก็สงบอยู่กับลมหายใจบางคราวจิตก็หนีไปรู้อารมณ์อื่นบางคราวจิตก็เคลื่อนเข้าไปเพ่งจ้องจมแช่อยู่กับลมหายใจบางคราวจิตก็สักว่ารู้ลมหายใจอยู่ห่างๆหรืออย่างพวกเราบางคนเดินจงกรม ก็ให้เดินอย่างสบายๆแล้วสังเกต ร, รู้ทันจิตว่าบางคราวจิตก็สงบอยู่กับการเดินบางคราวก็หนีไปรู้อารมณ์อื่นบางคราวก็เคลื่อนเข้าไปเพ่งจ้องจมแช่อยู่กับเทา้าบางคราวจิตก็สักว่ารู้ความเคลื่อนไหวของกายอยู่ห่างๆวิธีการเช่นนี้คล้ายๆกับการตกปลาคือเราหาเหยื่อคืออารมณ์อันหนึ่ง มาล่อปลาคือจิตแต่ต่างกับการตกปลาตรงที่การตกปลานั้นต้องการจับปลาส่วนที่เราฝึกหัดกันนี้ต้องการเพียงแค่การรู้ทันจิตที่ส่งสายเคลื่อนไหวไปมาเท่านั้นเอง 3... เมื่อฝึกหัดจนสังเกตกิริยาอาการหรือพฤติกรรมของจิตได้แล้วก็ทิ้งอารมณ์กรรมฐานเดิมได้แล้วหันมาใช้อารมณ์กรรมฐานชนิดที่ไม่ต้องตั้งใจกาหนด ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมทั้งปวงนั่นเองแล้วแต่อารมณ์ใดจะปรากฏเข้ามาสู่ความรับรู้ของจิตเช่นเมื่อตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงหรือใจเกิดความคิดเราก็จะสังเกตเห็นว่าบางคราวจิตก็รู้สึกตัวอยู่บางคราวจิตก็หลงไปดูหรือหลงไปฟังหรือหลงไปคิด เหมือนที่เคยหัดสังเกตในข้อสองนั่นเองสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือเมื่อใดผู้ปฏิบัติมีสติรู้ทันความไม่ตั้งมั่นของจิตหรือรู้ทันกิริยาอาการของจิตเมื่อ น, นั้นจิตจะเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาเองชั่วขณะโดยไม่ต้องพยายามสร้างความตั้งมั่นขึ้นมาเลยอย่างไรก็ตามเพื่อนนักปฏิบัติ บ, ต บ, ตบางท่าน สามารถฆ่ามหัสรู้ความไม่ตั้งมั่นของจิตตามที่อธิบายไว้ในข้อนี้ได้เลยโดยไม่ต้องเริ่มจากข้อหนึ่งและข้อสองก็มีสิ่งที่เป็นศัตรูสำคัญของการสร้างความตั้งมั่นของจิตหรือการสร้างสัมมาสมาธิหรือการสร้างความรู้สึกตัวได้แก่ 1. ความใจลอยความเผลอความเหม้อความขาดสติเพราะเมื่อใดใจลอยเมื่อนั้น จิตใจย่อมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจึงรู้เนื้อรู้ตัวหรือรู้กายรู้ใจไม่ได้ความใจลอยนั้นมีหลายระดับถ้าใจลอยรุนแรงจะลืมตัวไปเลยแม้คิดอยู่ก็ไม่ทราบว่าคิดอะไรความใจลอยในระดับที่รองลงมาก็คือการหลงคิดผู้นั้นจะรู้เรื่องที่คิด แต่ไม่รู้กายไม่รู้ใจคือไปรู้สมมติบัญญัติจึงไม่รู้รูปนามกายใจอันเป็นอารมณ์ปรมัตและ 2. การเพ่งจ้องใส่รูปนามกายใจอันเกิดจากความอยากจะปฏิบัติธรรมแท้จริงการสร้างความตั้งมั่นของจิตด้วยการใช้สติตามรู้ความไม่ตั้งมั่นหรือกิริยาอาการต่างๆของจิตนั้น ต้องฝึกด้วยการตามสังเกตจิตใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะทําด้วยความอยากไม่ได้เพราะถ้ามีความอยากเจือปนแทนที่ผู้ปฏิบัติจะมีสติตามรู้เท่าทันจิตไปอย่างสบายสบายกลับจะเกิดการดักจ้องจิตอันเป็นการดักรู้ไม่ใช่ตามรู้ซึ่งนอกจากจิตจะไม่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิแล้วยังจะเกิดการเพ่งจ้องกายเพ่งจ้องใจ จนเกิดความแข็งความหนักและความทื่อทื่ทางกายและทางใจอีกด้วยซึ่งอาการเช่นนี้ไม่ใช่อาการของจิตที่มีสัมมาส ม, มาธิหรือมีความรู้สึกตัวที่แท้จริงเลยสภาวะของจิตที่ตั้งมั่นอันเนื่องมาจากการมีสติรู้ทันความไม่ตั้งมั่นของจิตนั้นจะมีลักษณะเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในเรื่องสัมมาส ม, มาธินั่นเอง คือมีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นไม่วันไหวถ้าพูดตามสำนวนครูอาจารย์พระป่าก็กล่าวได้ว่าจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือกล่าวได้ว่าจิตในขณะนั้นมีความสงบระงับ เบาอ่อนโยนควรแก่การงานคล่องแคล่วและซื่อตรงนอกจากนี้จิตในขณะนั้นจะมีเวทนาได้เพียงสองอย่างคือโสมนัสเวทนาและอุเบขาเวทนาจิตชนิดที่กล่าวมานี้แหละเป็นจิตที่พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาต่อไปสรุปแล้วเมื่อใดรู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่น หรือหลงไปทางตะวันทั้งหกเมื่อ น, นั้นจิตก็จะตั้งมั่นชั่วขณะโดยไม่ต้องเบันครับและเมื่อใดจิตตั้งมั่นเมื่อ น, นั้นจิตจะอยู่กับเนื้อกับตัวและรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, รู้นามได้เราก็พร้อมแล้วที่จะทำวิปัสสนาหรือจเจริญปัญญาศิกขาต่อไป โดยให้มีสติตามรู้รูปนามอยู่นเนืองด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีความรู้สึกตัวต่อไปก็จะเห็นว่าเราไม่มีมีแต่รูปกับนามรูปก็ไม่ใช่เรานามก็ไม่ใช่เราและไม่มีเราในที่อื่นภายนอกรูปนามด้วยทั้งนี้ความเป็นเราเกิดจากการหลงคิด หรือหลงในสมมุติบัญญัตินั่นเอง mm. เมื่อมีความรู้สึกตัว mm. ไม่หลงคิด mm. ก็จะสามารถรู้รูปนามตามความเป็นจริงว่า mm. ไม่ใช่เราได้ในที่สุด mm. อันหนึ่งจิตที่ตั้งมั่นนั้นสามารถทรงตัวอยู่ได้เพียงชั่วขณะสั้นๆคือพอมีสติรู้ทันจิตที่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อใดจิตก็จะตั้งมั่น และรู้สึกตัวขึ้นมาเองอย่างอัตโนมัติในขณะนั้นแล้วอีกวับเดียวต่อมาจิตก็หลงไปกับอารมณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งผู้ปฏิบัติไม่ต้องตกใจว่าเรารักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เพราะความจริงแล้วจิตเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับของผู้ใดทั้งสิ้นเพียงทำความรู้สึกตัวให้เกิดบ่อยๆด้วยการตามรู้จิตที่ไม่ตั้งมั่น เพราะหลงไปทางถานรทั้งหกหนึ่งเนืองต่อไปจิตก็จะตั้งมั่นหรือรู้สึกตัวได้ทีขึ้นเรื่อยๆและหลงหรือเผลอสั้นลงเรื่อยๆ 3. การเจริญสติในชีวิตประจำวันเมื่อจิตมีสัมมาสมาธิหรือมีความตั้งมั่นหรือมีความรู้สึกตัวแล้วผู้ปฏิบัติพึงน้อมจิตไปเพื่อให้เกิดปัญญาด้วยการเจริญสติในชีวิตประจำวันซึ่งมีหลักปฏิบัติที่ง่ายๆดังนี้คือ 3. 1 รู้อารมณ์กรรมฐานที่ถูกต้องอารมณ์ของวิปัสสนาคือรูปนามกายใจดังนั้นสิ่งที่พูดเจริญสติในชีวิตประจำวันจะต้องมีสติคอยระลึกรู้หนึ่งเนืองก็คือรูปนามหรือกายกับใจของตนเอง 3.2 รู้วิธีการตามรู้กายและตามรู้ใจที่ถูกต้องมีวิธีการดังนี้ 3.2.1 ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้สึกตัวเพราะการตามรู้กายหรือใจจะทำไม่ได้ถ้าผู้ปฏิบัติไม่รู้สึกตัวเช่น 1. ขาดสติตืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจ 2. หลงไปในความคิดลืมตามรู้กายหรือใจและ 3. เพ่งกายเพ่งใจ เพื่อคอยดักดูว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นทางกาย asy, หรือทางใจบ้าง 3.2.2 วิธีการตามรู้กายมีหลักปฏิบัติง่ายๆคือให้มีความรู้สึกตัวและหากกายมีอาการอย่างไรก็รู้ว่ากายมีอาการอย่างนั้นเช่นกายอยู่ในอาการยืน ก็รู้สบายๆถึงอาการของรูปยืนไม่ต้องช่วยคิดว่านี่เป็นรูปยืนไม่ใช่เรายืนแต่ทำแค่มนสิการหรือรู้สึกสบายๆถึงรูปยืนแม่การรู้รูปนามอื่นๆก็เพียงมนสิการถึงรูปนาม น, นั้นๆไม่ต้องคิดว่านี่รูปนี่นามแต่อย่างใดหรือกายคู่กายเหยียดเหลียวซ้ายแลขวา ก็รู้สบายๆว่ากายมีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งนี้ไม่ต้องตามภาคหรือคิดบรรยายว่ารูปกาลังมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้ขอเพียงมีความรู้สึกตัวไม่ลืมตัวไม่เอาแต่คิดหรือไม่เอาแต่เพ่งกายกายนั้นย่อมแสดงความเป็นจริงที่เขาเป็นเพียงรูปไม่ใช่ตัวเราออกมาให้เห็นได้ไม่ยากเลย 3.2.3 วิธีการตามรู้ใจมีหลักปฏิบัติง่ายๆคือให้มีความรู้สึกตัวและหากจิตมีอารมณ์หรือมีอาการอย่างไรก็รู้ว่าจิตมีอารมณ์หรือมีอาการอย่างนั้นเช่นจิตรู้สึกหรือมีอารมณ์เป็นสุขก็รู้ว่าจิตสุขโดยไม่ต้องช่วยคิดว่านี่เป็นนามสุขไม่ใช่เราสุข จิตเป็นทุกข์ก็รู้ว่าจิตทุกข์จิตเฉยๆก็รู้ว่าจิตเฉยเฉยจิตโลภก็รู้ว่าจิตโลภจิตโกรธก็รู้ว่าจิตโกรธจิตหลงก็รู้ว่าจิตหลงจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูหรือจิตมีอาการรู้สึกตัวอยู่ก็รู้ว่าจิตรู้สึกตัวอยู่ จิตสักว่ารู้อารมณ์ก็รู้ว่าจิตสักว่ารู้อารมณ์อยู่หรือจิตหลงอารมณ์ก็รู้ว่าจิตหลงอารมณ์อยู่เช่นจิตหลงไปดูรูปทางตาก็รู้ว่าจิตหลงดูจิตหลงไปฟังเสียงทางหูก็รู้ว่าจิตหลงฟังจิตหลงไปทางใจก็รู้อาการตรงตามความเป็นจริงว่าจิตหลงไปทำอะไรเช่นหลงใจลอย หลงคิดหลงตั้งท่าปฏิบัติหลงสแสวงหาอารมณ์หลงเพ่งอารมณ์และหลงแก้ไขอารมณ์เป็นต้นทางนี้ไม่ต้องตามภาคหรือคิดปรรยายว่าจิตกำลังมีอารมณ์หรืออาการอย่างนั้นอย่างนี้ขอเพียงมีความรู้สึกตัวไม่ลืมตัวไม่เอาแต่คิดหรือไม่เอาแต่เพ่งจิตหรืออารมณ์ที่จิตไปรู้เข้า และความรู้สึกทั้งหลายในจิตย่อมแสดงความเป็นจริงที่เขาเป็นเพียงนาไม่ใช่ตัวเราออกมาให้เห็นได้หากจับหลักปฏิบัติได้เท่านี้ก็จเจริญสติในชีวิตประจำวันได้แล้วคือให้มันมีความรู้สึกตัวแล้วตามรู้อาการทางกายและทางใจเรื่อยไปแบบไม่หวังผลเช่นกายไหวก็รู้กายจิตไหวก็รู้จิตเป็นต้น 4. ตัวอย่างการเจริญสติในชีวิตประจำวันต่อจากนี้จะยกตัวอย่างการเจริญสติในชีวิตประจำวันให้เพื่อนนักปฏิบัติฟังโดยสังเขตดังนี้ 4.1. ตามรู้กายหรือตามรู้ใจในทันทีที่ตื่นนอนนักปฏิบัติธรรม ในชีวิตประจำวันจะเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมสำหรับวันใหม่ในทันทีที่ตื่นนอนในขณะที่คนทั่วไปจะปล่อยใจให้คิดฝันล่องลอยไปในทันทีที่ตื่นนอนเช่นปล่อยใจให้สลืมสลืออยู่กับอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นอีกช่วงหนึ่งหรือฝันหวานกลับไปถึงอดีตหรือกังวลถึงอนาคตเป็นต้น แต่สำหรับนักปฏิบัตินั้นทันทีที่รู้สึกตัวตื่นสติอาจจะระลึกรู้อิริยาบถของกายที่นั่งหลับหรือนอนหลับอยู่เป็นการรู้สบายสบายทั่วกายไม่ได้จำกัดอยู่ที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งและมีความรู้สึกทางใจไม่ใช่คิดว่าสิ่งที่นอนอยู่นี้คือรูปธรรมหรือก้อนธาตุที่มากองอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตัวเรานั่งหรือนอนอยู่ และรูปนี้เป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นหรือนักปฏิบัติ บ, ตบางท่านซึ่งถนัดจะรู้จิตก็จะเริ่มอ่านจิตใ จ, ใจตนเองในทันทีที่รู้สึกตัวตื่นเช่นผู้ที่เป็นนักเรียนหรือข้าราชการอาจจะรู้สึกเบื่อนายเมื่อตื่นขึ้นและนึกได้ว่าวันนี้เป็นวันจันทร์หรือรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายเมื่อ น, นึกได้ว่า วันนี้เป็นวันศุกร์และพรุ่งนี้ไม่ต้องทำงานและนักปฏิบัติจะมีความรู้สึกทางใจไม่ใช่คิดว่าความเบื่อหน่ายหรือความสดชื่นนั้นเป็นเพียงนามธรรมาอย่างหนึง่งไม่ใช่ตัวเราและเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้น 4.2 ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงทางกายและทางใจต่อไป เมื่อตื่นนอนแล้วคนทั่วไปอาจจะบิดขี้เกียจแต่นักปฏิบัติอาจรู้สึกได้ถึงความปวดเมื่อยกายและรู้ถึงความต้องการบิดขี้เกียจเพื่อแก้เมื่อยแล้วก็บิดขี้เกียจถัดจากนั้นก็รู้สึกถึงความสบายกายและรู้ถึงความรู้สึกผ่อนคลายทางใจที่เกิดตามมาและมีความรู้สึกทางใจไม่ใช่คิด ว่ารูปกายหรือความรู้สึกทางใจทั้งหลายนั้นเป็นเพียงรูปรธรรมหรือนามรธรรมบางอย่างไม่ใช่ตัวเราและเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นเมื่อนึกได้ว่าวันนี้เป็นวันทางงานจะชักช้าอยู่ไม่ได้คนทั่วไปอาจจะรีบเพ่นจากที่นอนไปอาบน้ํารับประทานอาหารหรือแต่งตัวให้เสร็จเร็จไปเพื่อจะรีบออกจากบ้าน ระหว่างนั้นก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแม้แต่เจ้าตัวเองก็จําไม่ได้ว่าคิดไปแล้วกี่สิบเรื่องในเวลาไม่กี่นาทีนักปฏิบัติใช้เวลาทํากิจวัตรเหล่านั้นเท่ากับหรือน้อยกว่าคนทั่วไปเพราะไม่ต้องเสียเวลาให้กับความใจลอยและทํากิจด้วยความรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจเช่นเมื่อจะอาบน้ํา หากอากาศเย็นและน้ำที่จะอาบก็เย็นนักปฏิบัติจะรู้ถึงความสยองใจอันเกิดจากความกลัวน้ำเย็นหากอากาศร้อนแต่น้ำเย็นนักปฏิบัติจะรู้ถึงความพอใจที่เกิดขึ้นหรือบางคนที่ถนัดจะรู้กายก็จะเห็นรูปเคลื่อนไหวไปตามหน้าที่และจะมีความรู้สึกทางใจไม่ใช่คิดว่ารูปและความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรา และเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นคนทั่วไปเมื่อจะรับประทานอาหารหากพบว่ามีแต่ของอร่อยก็จะเกิดความยินดีพอใจหากพบของไม่อร่อยก็จะไม่พอใจส่วนนักปฏิบัติก็เกิดความพอใจและไม่พอใจเช่นเดียวกันเพียงแต่พอใจก็รู้ว่าพอใจไม่พอใจก็รู้ว่า ไม่พอใจและจะมีความรู้สึกทางใจไม่ใช่คิดว่าความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราและเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นคนทั่วไปเมื่อรับประทานอาหารอร่อย <c oughs> ก็อาจจะตัดเคี้ยวและกลืนอย่างเมามันส่วนนักปฏิบัติจะรู้สบายสบายถึงรูปกายที่เคลื่อนไหวในอาการตัดเคี้ยวกลืน และจะมีความรู้สึกทางใจไม่ใช่คิดว่ารูปที่เคลื่อนไหวยอยู่นั้นไม่ใช่ตัวเราและเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นตรงจุดนี้ขอแทรกข้อเท็จจริงสักเล็กน้อยคือคนจำนวนมากมักคิดว่านักปฏิบัติจะต้องมีชีวิตที่แห้งแล้งเช่นเมื่อรับประทานอาหารก็ไม่รู้สึกถึงรสของอาหารเพราะจิตเป็นกลางวางเฉยเสียแล้ว ที่คิดอย่างนี้ก็เพรา ะ, จะเจริญสติไม่เป็นได้แต่กดข่มจิตใจให้นิ่งให้ซึมทื่อจนไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้สุขรู้ทุกข์ถ้าจเจริญสติถูกต้องจิตจะคล่องแคล่วปราดเปรียวในการรู้อารมณ์กระทั่งรสอาหารก็รู้ได้ละเอียดทียิบทีเดียวคนทั่วไปเมื่อแต่งตัวอาจจะแต่งไปอย่างอัตโนมัติ ในกรณีที่แต่งเครื่องแบบเหมือนกันทุกวันหรือคิดอุดตลุดว่าวันนี้จะแต่งอย่างไรดีถ้ารู้สึกว่าแต่งแล้วตนเองดูดีก็พอใจถ้ารู้สึกว่าไม่ดีก็ชักจะไม่สบายใจหรือคิดอยากได้เครื่องแต่งกายอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปอีกส่วนนักปฏิบัติคิดจะแต่งกายอย่างไร ก็ตามรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายที่ทำหน้าที่แต่งกายไปและความรู้สึกทางใจเกิดขึ้นอย่างใดก็รู้และจะมีความรู้สึกทางใจไม่ใช่คิดว่ารูปและความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราและเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้น 4.3 การเจริญสติบนถนนสำหรับคนทั่วไปที่ต้องอาศัยรถประจำทางไปทำงานถ้าต้องรอรถนานก็อาจจะงุดงิดกังวลกระสับกระส่ายเพราะกลัวไปทำงานสายหรือเห็นรถประจำทางว่างวิ่งมาก็จะรู้สึกดีใจแต่พอรถนั้นไม่จอดรับผู้โดยสาร ความรู้สึกดีใจก็จะเปลี่ยนไปเป็นความโกรธจิตใจของเขาถูกเวี่ยงขึ้นเวี่ยงลงอยู่ตลอดเวลาสำหรับนักปฏิบัติก็มองเห็นสิ่งเดียวกับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติและอาจเกิดปฏิกิริยาของจิตในทานองเดียวกันแต่จะมีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตอยู่เนื่งเนืองและจะมีความรู้สึกทางใจไม่ใช่คิดว่ารูปที่เห็นและความรู้สึกทั้งหลาย ไม่ใช่ตัวเราและเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นสำหรับคนทั่วไปที่ขับรถเองวันไหนรถติดหรือติดไฟแดงบ่อยก็จะงุดงิดและปล่อยใจให้จมแช่อยู่กับความงุดงิดนั้นหรือวันไหนเห็นถนนว่างก็จะรู้สึกดีใจแล้วปล่อยใจหลงฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเลยสำหรับนักปฏิบัต จะรู้ทันจิตใจของตนอยู่เนืองเนืองและจะมีความรู้สึกทางใจไม่จะคิดว่าความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราและเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นคนทั่วไปที่ขับรถในเมืองใหญ่หรือขับรถตามทางหลวงมักจะได้พบการถูกขับรถปาดหน้าในบางครั้งสิ่งที่ตามมาคือความโกรธแล้วเกิดพฤติกรรมเช่น การด่าเพื่อระบายโทสะแม้คู่กรณีจะไม่ได้ยินก็ตามหรือการพยายามขับรถเพื่อแข่งหรือปาดคืนเพื่อแก้แค้นแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติจะมีสติระลึกรู้การปาดหน้านั้นว่าเป็นเพียงรูปที่ตาเห็นถ้าสติไม่ทันตรงจุดนี้ก็จะมีสติระลึกรู้ว่าจิตคิดให้ค่าสิ่งที่ตาเห็นว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดี ถ้าสติไม่ทันตรงจุดนี้ก็จะมีสติระลึกรู้ความโกรธที่พุ่งขึ้นกลางอกซึ่งถ้าโทสะมีกำลังกล้าก็จะเกิดอาการเลือดขึ้นหน้าถ้าสติไม่ทันตรงจุดนี้ก็จะมีสติระลึกรู้ความอยากด่าหรือความอยากขับรถไปปาดหน้าคืนซึ่งความอยากนี้ก็พุ่งขึ้นที่กลางอกเช่นกันถ้าสติไม่ทันตรงจุดนี้ ก็จะเกิดพฤติกรรมทางกายและวาจาหากมีสติรู้ตรงจุดนี้ก็ยังพอจัดว่าเป็นผู้เจริญสติได้เหมือนกันทั้งนี้คนทั่วไปจะรู้สึกว่ามันขับรถปาดเราส่วนผู้ปฏิบัติจะมีความรู้สึกทางใจไม่ไดคิดว่ารูปและความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราและเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้น 4.4 การเจริญสติในเวลาทำงานหากทำงานที่ใช้ร่างกายเช่นงานรดน้ำต้นไม้งานทำความสะอาดงานเฝ้ายามงานบรรจุผลไม้กระป๋องคนทั่วไปจะคิดว่าเราทำงานบ้างใจลอยไปที่อื่นบ้างรู้สึกเบื่อหน่ายงานบ้างรู้สึกว่าเราเมื่อยบ้างส่วนนักปฏิบัติ จะมีความรู้สึกทางใจไม่ใช่คิดว่ารู้และความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราและเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นหากทำงานที่ใช้กำลังสมอง <c oughs> เช่นเรียนหนังสือหรือทำงานที่ต้องใช้ความคิดในระหว่างที่มีกิจต้องทำงานนั้นคนทั่วไปจะรู้สึกว่าเราทำงานส่วนนักปฏิบัติไม่ต้องเจริญสติ เพราะจิตต้องดูต้องฟังและต้องคิดนึกปรุงแต่งให้รู้เรื่องจึงไม่สามารถจัดเจริญสติได้แต่เมื่อทำงานไปแล้วเกิดมีสภาวะธรรมเช่นเกิดความสุขใจที่ทำงานสำเร็จด้วยดีเกิดความทุกข์ใจที่งานถูกตาหนิเกิดกุศลเช่นอิ่มใจว่า ง, งานที่ทำสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเกิดอกุศล เช่นโกรธผู้ที่คัดค้านความเห็นของเราในที่ประชุมเป็นต้นจึงค่อยมีสติระลึกรู้สภาวธรรมดังกล่าวและจะมีความรู้สึกทางใจไม่ใช่คิดว่ารู้และความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราและเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นจนเมื่อจิตใจเป็นกลางแล้วจึงตั้งใจทํางานด้วยความมีสมาธิในการทํางานต่อไป 4.5 การเจริญสติเมื่อใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมนับตั้งแต่ครอบครัวจนถึงสังคมที่ใหญ่มากขึ้นไม่สามารถจะหนีจากโลกธรรมได้คือบางคราวก็มีลาบยศสรนเสริญสุขบางคราวก็เสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาและทุกข์บางครา ว, ก, า ก, า ก, าราวก็มีเรื่องให้ดีใจ บางคราวก็เสียใจบางคราวก็สมหวังบางคราวก็ผิดหวังคนทั่วไปก็จะมีใจฟูขึ้นบ้างแฟบลงบ้างและรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนนักปฏิบัติอาจมีใจฟูขึ้นบ้างแฟบลงบ้างแต่จะมีความรู้สึกทางใจไม่ใช่คิดว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ใช่ตัวเรา และเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้น 4.6 การเจริญสติเมื่อมีปัญหาชีวิตที่รุนแรงบางสถานการณ์เราอาจต้องเผชิญกับปัญหาชีวิตที่รุนแรงโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนเช่นเจ็บป่วยรุนแรงและกระทันหันถึงขั้นพิการ หรือใกล้ตายลูกติดยาเสพติดสามีหรือภรรยานอกใจคนที่รักเสียชีวิตหรือพิการไฟไม่บ้านธุรกิจการงานมีปัญหาต้องคดีอาญาเช่นขับรถชนคนตายเป็นต้นในกรณีเช่นนี้คนทั่วไปจะเกิดความเครียดอย่างรุนแรง ถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับและไม่สามารถใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างเหมาะสมส่วนนักปฏิบัติก็ย่อมมีความทุกข์ทางใจที่รุนแรงเช่นกันแต่ก็ต้องใช้ธรรมะช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้ในที่สุดสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือขจัดความทุกข์หรือความเครียดออกจากจิตใจซสก่อนให้เหลือแต่ตัวปัญหาจริงๆ แล้วจึงใช้สติปัญญาแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาต่อไปหากพยายามแก้ปัญหาจนสุดความสามารถแล้วได้ผลแค่ไหนก็ต้องยอมรับแค่นั้นการกระจัดความเครียดออกจากจิตใจมีเครื่องมือหลายอย่างให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมเช่น 1. การเจริญวิปัสนาได้แก่การเจริญสติตามรู้ใจที่เป็นทุกข์ และรู้ทันความอยากที่จะให้หายทุกจนจิตเป็นกลางต่อความทุกข์และสลับตัวหลุดออกจากความทุกข์ 2. การยอมรับสถานการณ์ว่าเป็นผลของกรรมเก่าได้แก่การตรึกตรองว่าสิ่งทั้งปวงที่ต้องมาประสบนั้นเป็นผลของกรรมเก่าไม่ควรปฏิเสธ แต่ควรตั้งสติเผชิญสถานการณ์อย่างใจเย็นและทำกรรมใหม่ที่ดีเพื่อแก้ไขปัญหานั้น 3. การทำสมถะคือมีสติน้อมไประลึกอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และระลึกถึงลมหายใจเป็นต้นและสี่ การแก้ปัญหาอย่างโล ก, โลกเช่นปรึกษาหารือกับคนที่ไว้ใจได้ว่าจะไม่แนะนำในทางเสียหายอ่านหนังสือฟังเพลงแต่อย่ากแก้ปัญหาอย่างผิดศีลธรรมเช่นการพึ่งพาสิ่งเสพติดและการใช้ความรุนแรงทั้งนี้เมื่อจิตใจสบายแล้วจึงค่อยคิดพิจารณาแก้ไขปัญหาชีวิตต่อไป ที่สำคัญก็คืออย่าอยากให้ไม่มีปัญหาเพราะปัญหามันมีขึ้นมาแล้วจําเป็นต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและคิดวิธีแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ขอย้ำคำว่าเท่าที่จะกระทำได้ 4.7 การเจริญสติในภาพรวมคนทั่วไปเมื่อดูก็คิดว่า เราดูส่วนนักปฏิบัติจะรู้สึกว่าจิตเป็นผู้ดูไม่ใช่เราดูคนทั่วไปเมื่อฟังก็คิดว่าเราฟังส่วนนักปฏิบัติจะรู้สึกว่าจิตเป็นผู้ฟังไม่ใช่เราฟังคนทั่วไปเมื่อได้กลิ่นก็คิดว่าเราได้กลิ่นส่วนนักปฏิบัติจะรู้สึกว่า รูปคือจมูกเป็นผู้ได้กลิ่นไม่ใช่เราได้กลิ่นคนทั่วไปเมื่อรู้รสก็คิดว่าเรารู้รสส่วนนักปฏิบัติจะรู้สึกว่ารูปคือลิ้นเป็นผู้รับรสไม่ใช่เรารับรสคนทั่วไปเมื่อรู้กระทบความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวก็คิดว่าเรากระทบส่วนนักปฏิบัติ จะรู้สึกว่ารูปคือกายเป็นผู้กระทบไม่ใช่เรากระทบคนทั่วไปเมื่อใจรู้สิ่งใดก็คิดว่าเรารู้ส่วนนักปฏิบัติจะรู้ว่าใจรู้ไม่ใช่เรารู้หา พัฒนาการทางปัญญาการเจริญสติในชีวิตประจำวันด้วยการมีสติตามรู้กายและตามรู้ใจด้วยจิตที่มีความตั้งมั่นรู้สึกตัวอยู่เหนืองจะก่อให้เกิดพัฒนาการทางปัญญาคือเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นตามลำดับดังนี้ 5.1 ผู้ปฏิบัติจะเริ่มสังเกตเห็นว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปกับน้ำเพราะเห็นว่ากายซึ่งถูกรู้อยู่นั้นเป็นเพียงรูปไม่ใช่เราและเห็นว่าจิตก็เป็นเพียงน้ำไม่ใช่เราเช่นกัน 5.2 ผู้ปฏิบัติที่ตามรู้กายและตามรู้ใจมากเข้ามากเข้า จะพบความจริงว่ารูปนามหรือกายใจนั้นเป็นสิ่งที่มีเหตุทำให้เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นลอยลอยและถ้าเหตุนั้นดับไปรูปนามนั้นก็ดับไปด้วยตัวอย่างเช่นได้เห็นความจริงว่ารูปยืนเดินนั่งนอนนั้นเกิดจากจิตสัง่งคือเมื่อนั่งนานกายก็เป็นทุกข์ จิตก็สั่งให้กายเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ทำให้รูปนั่งที่มีอยู่เดิมดับไปเกิดรูปใหม่เช่นรูปยืนหรือรูปนอนขึ้นแทนที่เป็นต้นและได้เห็นความจริงว่านามเองก็เกิดเพราะรูปได้เช่นอาศัยตากับรูปเป็นปัจจัยทำให้เกิดนามจิตคือความรับรู้อารมณ์ทางตาเป็นต้น และบางทีก็ได้เห็นความจริงว่านามทำให้เกิดนามก็มีเช่นเมื่อจิตเกิดความโกรธจิตก็เกิดความอยากจะทำลายอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นเป็นต้น 5.3 ผู้ปฏิบัติที่ตามรู้กายตามรู้ใจมากเข้ามากเข้าจะได้พบว่ารูปนามหรือกายใจมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ คือเป็นสิ่งที่มีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถดำรงอยู่ได้นานและไม่อยู่ในอำนาจบังคับตามใจปรารถนาแต่ในเบื้องต้นจะเห็นจะรู้ว่ารูปนามเป็นไตร ล, ลักษณ์เพราะการเห็นความแตกต่างว่ารูปปัจจุบันกับรูปเมื่อกี้นี้เป็นคนละรูปกันเช่นเดิมนั่งอยู่แต่เดี๋ยวนี้กำลังยืนแสดงว่ารูปนั่งไม่เที่ยง หรือจิตใจในขณะ น, นี้ต่างจากจิตใจก่อนหน้านี้เช่นเดิมดีใจที่ได้พบเพื่อนเก่าแต่พอคุยกันแล้วเกิดความโกรธเพราะเพื่อนพูดขัดคอแสดงว่าความดีใจไม่เที่ยงอย่างไรก็ตามการเห็นไตรลักษณ์ด้วยวิธีนี้ยังไม่ใช่การเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงเพราะยังเจอด้วยการคิดคือคิดเปรียบเทียบรูปนามปัจจุบัน กับรูปนามในอดีต 5.4 ผู้ปฏิบัติที่ตามรู้กายตามรู้ใจมากเข้ามากเข้าจะเริ่มสังเกตเห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของรูปนามในปัจจุบันเช่น เห็นรูปนั่งต้องขยับกายหนีความปวดเมื่อยอยู่เสมอๆและเห็นรูปหายใจเข้าเปลี่ยนเป็นรูปหายใจออกเป็นต้นส่วนความรู้สึกทางใจก็มีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่สติก็ตามรู้ทันว่ารูปและนามนั้นเมื่อดับลงจะมีช่องว่างเล็กๆอันหนึ่งมาคั่นไว้ก่อนที่จะเกิดรูปนามใหม่ต่อไปอีกเช่น ในขณะที่นั่งฟังพระแสดงธรรมอยู่นั้นประเดี๋ยก็ใช้ตาดูพระผู้แสดงธรรมประเดี๋ยก็ใช้หูฟังเสียงพระผู้แสดงธรรมประเดี๋ยก็ใช้ใจคิดพิจารณาเนื้อธรรมที่ได้ฟังพอคิดไปได้หน่อยเดียวความรู้สึกนึกคิดก็ถูกนวงแล้วดับลงมีช่องว่างมาขั้นนิดหนึ่งแล้วจิตจึงออกรู้อารมณ์ครั้งใหม่ ทางตาบ้างทางหูบ้างหรือทางใจบ้างหรื อ, อยังเวลามองหน้าใครสักคนหนึ่งถ้าสติดีพอจะพบว่าเรามองหน้าเขาได้เพียงรูปเล็กๆหรือจุดเล็กๆเท่านั้นแล้วการเห็นภาพนั้นก็เลือนลางไปเราต้องดูรูปใหม่บ่อยๆคล้ายกับต่อรูปจิ๊กซอแล้วอาศัยความจํารูปได้ เรียบเรียงขึ้นเป็นหน้าคนคนหนึ่งการเห็นว่ารูปดับไปแล้วเกิดรูปใหม่หรือนามดับไปแล้วเกิดนามใหม่นี้จัดเป็นขั้นการเจริญวิปัสสนาเพราะรู้ถึงความเกิดดับของรูปนามอยู่ต่อหน้าต่อตาโดยเห็นว่าความสืบเนื่องหรือสัน ต, ติของรูปนามนั้นขาดออกจากกันได้ต่อหน้าต่อตาทีเดียว 5.5 ผู้ปฏิบัติที่ตามรู้กายและตามรู้ใจมากเขา้ามากเขา้าสติปัญญาจะกล้าแข็งขึ้นตามลําดับคือพอรูปหรือนามเกิดขึ้นสติก็รู้ทันแล้วปัญญาก็ตัดรูปนามนั้นดับวับไปอย่างรวดเร็วเช่นเพียงแต่มีความไหวยิบยับขึ้นกลางอกนิดเดียวสติก็รู้ทันแล้วไม่ปรุงแต่งต่อ ความไหวยิบยับนั้นก็ดับลงทั้งที่ยังไม่ทราบว่านั่นเป็นความปรุงแต่งเรื่องอะไรเลยในขั้นนี้สติปัญญาเข้ามารู้ความดับยิ่งกว่าจะสนใจว่าสิ่งใดเกิดขึ้น 5.6. ผู้ปฏิบัติที่ตามรู้กายได้ตามรู้ใจมากเข้ามากเข้าจะรู้สึกถึงความไร้สาระของรูปนามที่เห็นเกิดดับเกิดดับอยู่นั้น บางคนเห็นว่ารูปนามเป็นสิ่งที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้เพราะแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาบางคนรู้สึกกลัวบางคนรู้สึกเบื่อหน่ายผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดของตนอย่าให้โทสะครอบงำจิตได้จิตก็จะเริ่มเป็นกลางและเรียนรู้ความจริงของรูปนามต่อไป 5.7 ผู้ปฏิบัติที่ตามรู้กายและตามรู้ใจมากเข้ามากเขา้าจะเริ่มเห็นความจริงว่ารูปนามทั้งหลายนั้นมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์จิตใจก็เริ่มเป็นกลางต่อรูปนามทั้งหลายเช่นเห็นว่ารูปทั้งหลายเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้หรือจิตใจจะหยาบหรือละเอียดจะเป็นอกุศลหรือกุศลจะทุกข์ หรือสุขล้วนแต่บังคับให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้จิตใจก็จะก้าวเข้าสู่สภาวะที่เป็นกลางต่อสังขารหรือรูปนามด้วยปัญญาที่รู้ว่ารูปนามมีสภาวะเป็นไตรลักษณ์จากนั้นจิตใจก็จะพัฒนาออกห่างจากทุกขคือรูปนามไปตามลำดับโดยเบื้องต้นจะเห็นความจริงว่ารูปนามไม่ใช่เรา เราไม่มีมีแต่รูปนามและเบื้องปลายจะละความยึดถือในรูปนามเสียได้โดยจิตจะสลัดความยึดถือว่าจิตเป็นตัวเป็นตนของตนทิ้งเข้าถึงความปลอดโปร่งโล่งสบายเพราะความไม่ถือมั่นในรูปนามให้เป็นภาระกดท่วงจิตใจอีกต่อไปอห น, นึง่งผู้ปฏิบัติที่รู้สึกตัวเป็นแล้ว จะรู้สึกได้ในทันทีว่ากายไม่ใช่เราแต่จิตยังเป็นเราอยู่และถ้าสังเกตดูโลกภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายจะพบว่าโลกภายนอกเป็นของว่างจากความเป็นตัวตนและปราศจากน้ำหนักอยู่แล้วแต่จิตใจภายในยังมีน้ำหนักคือทุกข์เพราะอุปาทานขันอยู่ แม้เมื่อละความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเราได้แล้วจิตใจก็ยังมีน้ำหนักมากกว่าโลกภายนอกอยู่เพียงแต่น้ำหนักนั้นลดน้อยลงไปตามลำดับต่อเมื่อปฏิบัติจนถึงจุดที่ความยึดจิตขาดกระเด็นออกจากจิตแล้วจะพบว่าโลกภายในก็ว่างเปล่าและปราศจากน้ำหนักเสมอกันกับโลกภายนอกธรรมจึงไม่มีนอกไม่มีใน แต่เป็นสิ่งเดียวรวดที่ว่างและปราศจากความทุกข์ทางใจโดยสิ้นเชิง สรุปเกี่ยวกับการเจริญสติในชีวิตประจาวัน 6.1 ดวัตถุประสงค์ของการเจริญสติก็คือการเรียนรู้กายใจหรือรูปนามตามความเป็นจริงจนเกิดปัญญารู้ว่ารูปนามไม่ใช่ตัวเราของเราและเป็นวิธีเรียนรู้รูปนามต่อไปอีกจนจิตหลุดพ้นจากกองทุกขือรูปนาม ด้วยความไม่ถือมั่นในรูปนามได้ในที่สุด 6.2 ก่อนการเจริญสติผู้ปฏิบัติจะต้องมีศีลตั้งใจงดเว้นการทำบาปอากุศลอย่างน้อย5ประการเพื่อตัดเครื่องกังวลใจต่างๆและจะต้องพัฒนาคุณภาพของจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญสตินั่นคือการสร้างสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นอันได้แก่ การสร้างความรู้สึกตัวให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงไปทางทวาวรทั้งหเพื่อสามารถรู้เห็นกายใจตามความเป็นจริงได้สภาวะดังกล่าวนี้ก็คือสิ่งที่หลวงปูด่ดูลอัตุโลท่านสอนไว้ว่าอย่าส่งจิตออกนอกนั่นเองเพื่อว่าเวลาดูจะได้ไม่หลงดูเวลาฟังจะได้ไม่หลงฟังเวลาคิดนึกปรุงแต่ง จะได้ไม่หลงไปในความคิดนึกปรุงแต่ง 6.3 เมื่อจิตมีความตั้งมั่นแล้วผู้ปฏิบัติจึงอาศัยสติตามรู้กายคือรูปปรมาจิตก็ได้ตามรู้เวทนาก็ได้ตามรู้จิตก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยว่ารู้สิ่งใดแล้วสติจะเกิดได้บ่อยๆและเมื่อฝึกซ้อมจนชำนาญแล้วในที่สุด ก็จะสามารถรู้รูปนามได้กว้างขวางคือเมื่ออารมณ์ปรากฏขึ้นทางทวารใดก็มีสติระลึกรู้สภาวะของอารมณ์นั้นได้โดยไม่ต้องตั้งใจรู้และรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่หลงเข้าไปในอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้านั้นอันหนึ่งการตามรู้กายหรือการตามรู้จิตใจจะต้องมีลักษณะเป็นการตามรู้ไปอย่างสบายสบาย ไม่ใช่รู้อย่างเอาเป็นเอาตายต้องเหมือนกับรู้เล่นๆไปเป็นระยะๆก็พอเมื่อสติแก่กล้าขึ้นแล้วจึงจะเกิดการตามรู้อย่างถียิบได้เองหากจู่ๆก็จะให้รู้ได้ตลอดเวลาก็มักจะกลายเป็นการหลงเพ่งจ้องอย่างลืมเนื้อลืมตัวซึ่งนับว่าเป็นข้อผิดพลาดของการปฏิบัติ 6.4 สติ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นตามใจไม่ได้หากแต่เกิดขึ้นเพราะจิตจดจำสภาวะได้แม่นยาเช่นผู้ที่เคยฝึกมีสติตามรู้รูปยืนเดินนั่งนอนอยู่เนืองเนืองต่อมาเมื่อเผลอขาดสติแล้วเกิดการเคลื่อนไหวกายขึ้นสติจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติหรือผู้ที่เคยฝึกรู้จิตอยู่เสมอเสมอเมื่อเผลอขาดสติ แล้วเกิดการเคลื่อนไหวทางจิตขึ้นเช่นเกิดสุขทุกข์อุสลอกุศลหรือเกิดการส่งจิตทะยานไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสติก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติดังนั้นในเบื้องต้นจึงต้องหมั่นตามระลึกรู้อาการปรากฏทางกายและอาการหรืออารมณ์ที่ปรากฏทางใจไว้เป็นระยะระยะ พอถึงเบื้องปลายสติก็จะเกิดระลึกรู้ได้เองเมื่อสภาวธรรมที่จิตรู้จักแล้วปรากฏขึ้นมา 6.5 ปัญญาเป็นสิ่งที่จงใจทำให้เกิดไม่ได้ดังนั้นไม่ต้องช่วยคิดพิจารณาสภาวธรรมใดๆหากมีสติตามรู้กายตามรู้ใจอย่างถูกต้องจริงๆ คือรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตจะต้องเกิดปัญญารู้ความจริงของกายและใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาเข้าจนได้ไม่ยากเลยแต่ถ้าปฏิบัติไปด้วยตัณหาคือความอยากรู้ธรรมหรือเอาทิฏฐิคือความคิดความเห็นเข้ามาเจือปนในการรู้กลับจะยิ่งทําให้การรู้ความจริงต้องเนิ่นช้าออกไปอีกเพราะตัณหาและทิฏฐินั่นแหละ เป็นธรรมเครื่องเนิ่นช้า 6.6 เมื่อจิตเข้าใจรูปนามหรือกายใจตรงตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วจิตจะทําลายความเห็นผิดว่ารูปนามคือตัวเราลงได้และเมื่อปฏิบัติมากเข้าจิตก็ยิ่งปล่อยวางรูปนามและถอดถอนตนเองออกห่างออกไปจากกองทุกข์ คือรูปนามไปตามลำดับและความหนักหน่วงในจิตเพราะความยึดมั่นในขันก็จะค่อยคลายสลายตัวออกจากจิต 6.7 ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้สึกตัวแล้วจะเห็นธรรมภายนอกว่างเปล่าจากตัวตนคือเห็นโลกเป็นของว่างและไร้น้ำหนักได้โดยไม่ยากเลยเพราะความจริงโลกก็ว่างอยู่แล้ว เพียงแต่เรามองไม่เห็นเพราะมัวแต่หลงโลกเท่านั้นเองแต่ธรรมภายในคือจิตของตนนั้นยังมีน้ำหนักมากกว่าธรรมภายนอกแต่ถ้าปฏิบัติถูกต้องธรรมภายในก็จะเบาลงเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งความเป็นตัวตนของจิตก็จะกระเด็นออกไปเองโดยไม่ได้จงใจจิตจะเป็นอิสระจากขัน และเป็นธรรมชาติที่ว่างจากตัวตนและทุกและไรน้ำหนักเช่นเดียวกับธรรมภายนอกนั่นเองความว่างภายในกับความว่างภายนอกก็รวมเป็นอันเดียวรวดถ้าเรียกอย่างเซนนี่ก็คือมหาสุญญาตาและนี่คือสิ่งที่หลวงปู่ดูลอตุโลท่านกล่าวว่าจิตกับสภาวะที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันนั่นเอง สำหรับพวกเราชาวเถระวาสเพียงทราบไว้ประดับความรู้เล่นๆก็พอแล้วจุดสำคัญอยู่ที่การมีสติรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจและรู้ในลนักษณะของการตามรู้ไปเนืองๆด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางส่วนผลจะปรากฏเป็นความพ้นทุกอย่างไรก็จะสัมผัสได้ด้วยตนเองเป็นลำดับลำดับไป หมายเหตุผู้เขียนได้เขียนข้อหของบทความนี้ไว้อีกจำนวนหนึ่งแต่เห็นว่าอ่านยากเกินไปสำหรับเพื่อนนักปฏิบัติทั่วไปจึงตัดออกแล้วเขียนข้อห้าใหม่ตามที่ได้อ่านผ่านมาแล้วสำหรับสำนวนเดิมที่เขียนไว้ก็น่าเสียดายที่จะทิ้งไปเพราะอาจถูกกับจริตนิสัยของเพื่อนนักปฏิบัติบางท่านที่ชอบศึกษาสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน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 เข้าใจถูกตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นตามลำดับดังนี้ 5.1. การจําแนกรูปนามและสมมุติบัญญัติการที่นักปฏิบัติมีความรู้สึกตัวเน่องเนืองแล้วมีสติตามระลึกรู้อารมณ์ที่มากระทบสัมผัสทางทวารทั้งหกอยู่นั้นจะทำให้เกิดปัญญาจําแนกรูปนามและสมมติบัญญัติ ได้อย่างเป็นธรรมชาติยิ่งขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งคือการรู้ว่าจิตมีความสุขเมื่อจิตมีความสุขผู้ปฏิบัติรู้ว่าจิตมีความสุขปฏิบัติใหม่ๆก็อาจหลงผิดว่าเราสุขแต่เมื่อระลึกรู้บ่อยเข้าก็จะสังเกตเห็นว่าหนึ่งความสุขเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเรียกว่าสุข หรือโสมนัสเวทนาไม่ใช่จิตและไม่ใช่ตัวเราเป็นแต่เพียงสิ่งบางสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นมีอาการแปรปรวนอยู่ตลอดเวลามีแล้วก็ดับไปและบังคับไม่ได้ 2. จิตก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่ไปรู้ความสุขหรือโสมนัสเข้าสา ความคิดว่าสภาวะอย่างนี้คือความสุขและดีเหลือเกินก็เป็นอะไรอีกอย่างหนึ่ง 4. กายอันเป็นที่ตั้งของสุขเวทนาก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งและ5จุดกลางอกอันเป็นที่ปรากฏของโสมนัสเวทนาก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งหากจะใช้ภาษาในเชิงประยัติธรรมก็กล่าวได้ว่า 1สุขหรือโสมนัตเป็นเวทนาจัดเป็นนามชนิดที่เป็นส่วนประกอบจิตคือนามเจตสิกสองจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์จัดเป็นนามอีกชนิดหนึ่งเรียกว่านามจิต 3. ความคิดว่าเวทนาอย่างนี้เรียกว่าความสุขหรือเราสุข เหล่านี้เป็นสมมุติบัญญัติไม่ใช่รูปนามมีแค่ชื่อเรียกขานมีลักษณะอันเดียวคือเป็นอนัตตา 4. กายอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเป็นรูปและหจุดอันเป็นที่ปรากฏแห่งโสมนัสเวทนาเรียกว่าหัยรูปเป็นรูปอีกชนิดหนึ่งหัยรูปนี้ ตำราระบุว่าอยู่ที่หัวใจแต่นักปฏิบัติถ้ารู้สึกว่าความรู้สึกทางใจผุดขึ้นที่ไหนก็ควรเข้าใจว่านั่นคือหัตยารูปเมื่อหัดระลึกรู้บ่อยๆไม่ช้าก็จะเข้าใจสภาวธรรมที่จำเป็นสำหรับการเจริญวิปัสสนาเช่นรู้รูปยืนเดินนั่งนอนว่าเป็นรูปไม่ใช่จิต ไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่เรารู้สุขทุก์โสมนัสโทมนัสและอุเบกขาเวทนาว่าเป็นนามาเจตสิกไม่ใช่รูปไม่ใช่จิตไม่ใช่เรารู้โลภโทสัตโมหะฟุ้งซ่านหดหูเป็นต้นว่าเป็นนามเจตสิกไม่ใช่รูปไม่ใช่จิตไม่ใช่เราและรู้จิต คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ซึ่งเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจว่าเป็นจิตไม่ใช่รูปไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่เรา 5.2 การรู้เหตุเกิดของรูปนาม เมื่อมันรู้สึกตัวและมีสติระลึกรู้รูปนามเสมอๆจะสังเกตพบเหตุให้เกิดรูปนามคือรู้ว่านามทำให้เกิดรูปก็ได้ได้แก่จิตนั่นเองเป็นผู้สั่งการให้เกิดการเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ทำให้รูปเกา่าเช่นรูปนั่งดับไปแล้วเกิดรูปใหม่เช่นรูปยืนขึ้นแทนเป็นต้นนามทำให้เกิดนามก็ได้ เช่นบางคราวความจําได้หมายรู้ผุดขึ้นทางใจจิตเกิดรำพึงถึงอารมณ์ทางใจแล้วก็เกิดจิตและเจตสิกที่เป็ น, ปนกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นต้นรูปทำให้เกิดนามก็ได้เช่นเมื่อตาอันเป็นรูปภายในกระทบกับสีอันเป็นรูปภายนอกโดยจิตเกิดมณสิการคือรำพึงถึงอารมณ์ทางตา หรือออกรู้อารมณ์ต่างๆนามเห็นหรือจิตเห็นคือจักกุวิญญาณจิตก็เกิดขึ้นเป็นต้น 5.3 การรู้ความผันแปรของรูปนามเมื่อมันรู้สึกตัวและมีสติระลึกรู้รูปนามเสมอๆจะสังเกตพบความผันแปรของรูปนามคือได้เห็นว่า รูปใหม่เกิดขึ้นแทนที่รูปเก่าแสดงว่ารูปเก่าไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้บังคับเอาไว้ไม่ได้เช่นเมื่อนั่งอยู่ไม่นานก็เกิดความปวดเมื่อยทำให้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเช่นลุกขึ้นยืนและเดินเพื่อหนีทุกข์ไปชั่วคราวรูปนั่งที่มีอยู่เดิมก็ดับไปแล้วเกิดรูปยืนรูปเดินขึ้นมาแทนที่เป็นต้น ส่วนความรู้สึกทางใจก็เกิดความผันแปรตลอดเวลาและผันแปรเร็วกว่ารูปมากมายนะักคือจะเห็นว่า 1. บางคราวจิตก็มีความสุขบางคราวจิตก็มีความทุกข์ 2. บางคราวจิตก็เป็นกุศลบางคราวจิตก็เป็นอกุศลคือเกิดราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหูเป็นต้น 3. บางคราวจิตก็ตั้งมั่นรู้ตัวอยู่ต่างหากจากอารมณ์ในขณะที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจและบางคราวจิตก็เผลอไหลไปเกาะแน่นอยู่กับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่านาม คือจิตและเจตสิกไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้และบังคับไม่ได้การรู้รูปนามในขั้นนี้ยังไม่จัดว่าเป็นการจเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงเป็นแค่การรู้ว่ารูปนามมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยอาศัยจินตามยะปัญญาไปรู้ว่ารูปนามเก่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะเห็นว่ารูปนามในขณะ น, นี้ต่างจากรูปนามเก่า แต่ผู้ปฏิบัติก็ไม่ต้องตกใจว่ายังไม่ได้ทำวิปัสนาที่เป็นภาวนามยปัญญามันรู้สึกตัวแล้วตามรู้อารมณ์รูปนามเรื่อยไปจิตจะพัฒนาไปสู่การรู้ที่เป็นวิปัสนาได้เองเมื่อสติปัญญาแก่กล้าพอ 5.4 การรู้ความเกิดดับของรูปนาม เมื่อมันรู้สึกตัวและมีสติระลึกรู้รูปนามเสมอๆจะรู้ความเกิดดับของรูปนามคือจะสังเกตพบว่ารูปเก่ากับรูปใหม่เป็นคนละรูปกันนามเก่ากับนามใหม่ก็เป็นคนละนามกันระหว่างรูปเก่ากับรูปปัจจุบันและระหว่างจิตที่รู้อารมณ์เก่ากับจิตที่รู้อารมณ์ปัจจุบัน ไม่ได้ต่อเนื่องกันสนิทแต่มีความดับมาขั้นอยู่เป็นจุดๆไปผู้เขียนเคยชให้ผู้ที่มาสนทนาด้วยสังเกตตนเองในระหว่างที่ฟังผู้เขียนพูดว่าบางคราวก็ใช้ตาดูหน้าผู้เขียนวับหนึ่งและความรู้สึกก็ดับไปวับหนึ่งแล้วก็ใช้หูฟังเสียงผู้เขียนวับหนึ่งเวลาที่ฟังนั้นภาพหน้าของผู้เขียนก็เลือนลางไป ที่ชัดคือเสียงแล้วถัดจากนั้นก็ใช้ใจคิดนึกพิจารณาเรื่องราวที่ผู้เขียนพูดอีกช่วงหนึ่งซึ่งยาวกว่าเวลาที่ดูและฟังหลายเท่าหนักในขณะนั้นภาพหน้าของผู้เขียนก็ดีเสียงของผู้เขียนก็ดีเลื่อนลางไปสิ่งที่ชัดเจนคือเรื่องที่คิดหรือความคิดถัดจากนั้น ความรู้สึกก็เริ่มเลือนลางลงแล้วดับไปวับหนึ่งจึงเกิดการรับรู้ทางตาหรือทางหูหรือทางใจขึ้นใหม่ส่วนมากจะตามสังเกตได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเพียงแต่ความหยาบละเอียดและความเข้าใจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลอย่างน้อยก็รู้ว่าเดี๋ยวตาก็ดูเดี๋ยวหูก็ฟังเดี๋ยวใจก็คิดและ บังคับไม่ได้ว่าจะดูหรือฟังหรือคิดซึ่งเป็นการปฏิบัติในระดับข้อ 5.3 การรู้ได้ถึงจุดที่เห็นรูปนามเก่าดับไปแล้วเกิดรูปนามใหม่คือการเริ่มเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงเพราะสัน ต, ติหรือความสืบต่อของรูปนามขาดลงและผู้ปฏิบัติสามารถรู้สภาวะธรรมได้ด้วยสติสัมปชัญญะ เป็นการเจริญภาวนามยะปัญญาในเวลาทำวิปัสสนาสิ่งที่สำคัญคือถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏเข้ามาสู่ความรับรู้ของจิตก็ให้สักว่ารู้สิ่งนั้นคือรู้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องสาทยายว่านี่รูปนั่งนี่ความสุขนี่ความทุกข์นี่กุศลนี่โทสะ นี่เป็นรูปนี่เป็นนามนี่ไม่ใช่ตัวเราอันเป็นการบัญญัติถึงอารมณ์ปรมาทผู้ปฏิบัติบางท่านมีความเห็นว่าสิ่งใดปรากฏต้องมีสัมปชัญญะเน้นย้ำลงไปด้วยว่าสิ่งนี้คือสิ่งนี้เช่นความโกรธปรากฏให้ใจรู้ก็ต้องเน้นว่านี้คือความโกรธไม่ใช่เราโกรธเป็นแต่นามโกรธเป็นต้น แท้จริงตรงคำว่านี้คือความโกรธเป็นการบัญญัติถึงอารมณ์ปรมัติตตรงที่ว่าไม่ใช่เราโกรธเป็นแต่นามโกรธก็เป็นความคิดจัดเป็นความฟุ้งซ่านของจิตไม่ใช่ปัญญาของจิตและแม้จะคิดว่าความโกรธไม่ใช่เราเราไม่ได้รู้ความโกรธเป็นเพียงนามรู้นามคือจิตรู้ความโกรธ แต่จิตใจลึกๆก็ยังมีความรู้สึกว่าเราคือผู้ไปรู้ความโกรธเข้าดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องมีสติระลึกรู้สภาวะหรืออาการปรากฏของความโกรธซึ่งเป็นอารมณ์ปรมาตัวจริงจนเกิดปัญญาเห็นความเปลี่ยนแปลงของความโกรธซึ่งอยู่นอกเหนือกา ร, บ, ารบังคับผู้ปฏิบัติต้องไม่กลัวจิตงโง่จนต้องช่วยสอนจิตอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้จิตน้อมใจเชื่อธรรมเพราะถ้าเอาตัวจริงของอารมณ์ปรมาจิตมาให้จิตรู้ได้บ่อยๆความจริงที่ว่าทำทั้งปวงไม่ใช่ตัวเราก็ย่อมปรากฏให้จิตรู้ได้เองไม่วันใดก็วันหนึ่งเพื่อ น, นักปฏิบัติที่เริ่มสนใจการปฏิบัติใหม่ๆจะอ่านเพียงข้อ 5.4 นี้ก็ได้เพราะถ้าทำตามข้อ 5.4 ได้ ก็จะเข้าใจข้อ 5.5 ได้เอง 5.5 พัฒนาการทางวิปัสสนาปัญญาเมื่อมันรู้สึกตัวและมีสติระลึกรู้รูปนามเสมอๆจะรู้ว่ารูปที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นและกายมีความเกิดดับ ตลอดเวลาและรวดเร็วมากคือรู้ได้เพียงครั้งละวัดเดียวเพราะจิตที่ไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐพะเกิดได้เพียงคราวละหนึ่งขณะเท่านั้นถ้าเห็นตรงนี้มากๆ ก, ก็จะบรรเทาความปรารถนาหรือตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐพะได้เป็นอย่างดีเพราะไม่ทราบว่า จะแสวงหาสิ่งที่สัมผัสได้เพียงวับเดียวไปทำไมให้เหนื่อยยากและจะทำให้เห็นว่ารูปที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นและกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแม้แต่น้อยเป็นแต่ธรรมชาติบางอย่างที่ปรากฏขึ้นเป็นคราวๆตามปัจจัยปรุงแต่งเท่านั้นเหตุผลง่ายๆที่รูปประมัดแสดงความจริงว่าไม่ใช่สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขาก็เพราะความเห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแค่ความคิดนึกปรุงแต่งของจิตเท่านั้นไม่ได้มีอยู่จริงในรูปปรามัติในขณะที่จิตทำหน้าที่รู้รูปปรามัติด้วยบิญญาณจิตทางทวารทั้งห้าจิตไม่ได้คิดปรุงแต่งความเป็นตัวตนจึงไม่เกิดมีขึ้น และหากมีจิต ท, ที่ประกอบด้วยปัญญาเกิดตามรู้รูปทางทวารทั้งห้าได้ชัดเจนก็จะบรรเทาความเห็นผิดหรือทิฏฐิว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปได้รวมทั้งบรนเทาความถือตัวถือตนหรือมาณะลงได้ด้วยสำหรับจิตหรือความรับรู้ทางอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นและกายนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนาจะให้เกิด แต่มีธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งคือปัญจทวาราวชนะจิตเป็นตัวสับสวิตให้เกิดความรับรู้ได้ทีละทวารการที่เห็นชัดว่าจิตเกิดดับทางทวารทั้งหาแสดงให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาของจิตและอารมณ์คือจิตจะเกิดทางใดก็บังคับไม่ได้เกิดแล้วจะรู้อารมณ์ที่ดีหรือเลวประนีตหรือหยาบ ก, ก็เลือกไม่ได้อีก ท่านจึงจัดว่าจิตทำหน้าที่รู้อารมณ์ทางตวานทั้งห้าเป็นวิบากจิตแม้อารมณ์ที่ดีหรือเลวก็เกิดจากวิบากกรรมในอดีตส่งผลให้ปรากฏและการที่รู้ว่าอารมณ์ทางตวานทั้งห้าเกิดแต่วิบากนี้คือเหตุผลสำคัญที่ว่าเราควรรู้อารมณ์อันเกิดแต่วิบากนั้นไม่ใช่ละอารมณ์ซึ่งเท่ากับพยายามลบหนีวิบาก หากไม่ปฏิเสธเรื่องนี้ก็เท่ากับว่าเรามีปัญญารู้เรื่องกฎแห่งกรรมในระดับหนึ่งแล้วสำหรับจิตหรือความรับรู้ทางใจนั้นก็เกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนาจะให้เกิดเช่นกันและเมื่อเกิดแล้วก็เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้เพราะมีธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งคือมโนทวาราวัชนจิต เป็นตัวสับสวิตให้เกิดความรับรู้ทางใจและเกิดจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลผู้ที่เข้าใจได้ถึงขนาดว่าจิตที่เป็นอกุศลเช่นจิตเผลอกับจิตที่เป็นมหากุศลหรือจิตรู้หรือจิตที่มีสติสัมปชัญญะเป็นของที่เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้เหมือนเหมือนกัน ก็จะละทิ้งการปฏิบัติประเภทที่พยายามละอกุศลที่เกิดแล้วหรือป้องกันไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นรวมทั้งจะไม่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดกุศลจิตหรือพยายามรักษากุศลจิตเอาไว้นานๆเช่นบางท่านเมื่อจิตเกิดโมหะก็พยายามบดส้นเท้าหรือกระแทกเท้ากับพื้นแรงๆเพื่อกระจัดโมหะหรือพยายามกําหนดจดจ้องเท้าตลอดเวลา เพราะคิดว่านั่นคือการเจริญกุศลแท้จริงก็คือการกระทำด้วยอำนาจของโมหะคือความไม่รู้นั่นเองเมื่อมโนทวาราวชนะจิตหรือวัฏฐปัาจิตจะตัดสินให้ชวนจิตที่เกิดตามมาประกอบด้วยโมหะหรือให้มีสติปัญญาก็ไม่มีผู้ใดปฏิเสธหรือทำให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะจิตเป็นอนัตตาคือ ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้สิ่งที่ผู้ปฏิบัติทําได้ก็คือการหมั่นน้อมใจไปในอารมณ์ที่เป็นกุศลบ่อยๆจนจิตคุ้นเคยกับอารมณ์ที่เป็นกุศลและมโนทวาราวัชนาจิตก็จะตัดสินให้เกิดกุศลจิตบ่อยๆเช่น 1. เมื่อจะคิดก็หมั่นน้อมใจคิดนึกบ่อยๆถึงอนุสติสิทธิเช่นพุทธานุสติ ธรรมานุสติสังคานุสติและศีลานุสติจิตจะได้คุ้นเคยที่จะเกิดความสงบสุขทางใจดีกว่าจะไปบังคับจิตที่ฟุ้งซ่านให้สงบซึ่งเป็นการกระทำด้วยตัณหารุนรนๆ 2. เมื่อจะพูดก็พูดถึงคะถาวัตถุ1ิดีกว่าพูดเรื่องติระชานคาถาต่างๆเพราะจิตจะสงบง่ายและเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม แต่ควรเป็นการพูดสนทนาธรรมตางการอันเหมาะสมเท่านั้นไม่จะพูดทั้งวันหรือไม่ยอมพูดเลยแม้เมื่อมีกิจจะต้องพูดซึ่งเป็นการประทำด้วยตัณหาอีกเช่นกัน 3. มัมันตามรู้สภาวะธรรมคือรูปนามที่ปรากฏบ่อยๆเช่นเผลอไปก็หัดรู้ว่าเมื่อสักครู่นี้เผลอไปโกรธก็หัดรู้ว่า เมื่อสักครู่นี้โรดไปเป็นต้นหัดตามรู้บ่อยๆจนจิตคุ้นเคยที่จะรู้สภาวะธรรมทั้งหลายเมื่อสภาวะธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นมารู้สภาวะธรรมเหล่านั้นโดยอัตโนมัติไม่ใช่รู้เพราะผู้ปฏิบัติอยากจะรู้แล้วพยายามบังคับให้จิตรู้เมื่อจิตรู้เท่าทันสภาวะรูปนามทั้งปวงแล้ว จิตจะท่องเที่ยวไปในปัจฐานทั้งสี่ได้อย่างไม่มีติดขัดเป็นการรู้สภาวธรรมทุกอย่างที่ปรากฏโดยไม่จำเป็นต้องเลือกอารมณ์กรรมฐานอีกต่อไปผู้ปฏิบัติจะเห็นธรรมในธรรมคือรูปนามอันเป็นภายในบ้างเห็นธรรมในธรรมอันเป็นภายนอกบ้างเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นบ้างเห็นธรรมในธรรมเสื่อมไปบ้าง เป็นการเห็นที่ปราศจากตัณหาและทิฏฐิใดๆเคลือบแฝงเมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้จิตย่อมเกิดพัฒนาการในการประหารกิเลสและสังโยชน์ไปตามลำดับผู้ปฏิบัติยิ่งปฏิบัติการปฏิบัติก็ยิ่งราบรื่นในด้านจิตใจนั้นเดิมจิตมีสภาพเหมือนเรือกลางทะเลเมื่อถูกคลื่นลม คืออภิชาความยินดีและโทมนัสความยินร้ายกระทบกระทั่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อปฏิบัติมากเข้าจิตก็ถอดถอนตนเองออกจากโลกคล้ายกับเป็นเครื่องบินที่ถูกกระทบกระทั่งได้น้อยลงต่อไปก็คล้ายกับดาวเทียมที่ลอยเด่นอยู่โดยไม่มีสิ่งใดไปกระทบกระเทือนถึงแต่ก็ยังมีวันที่จะต้องแตกดับ จึงเป็นสภาวะที่ยังนิ่งนอนใจไม่ได้เมื่อมันรู้สึกตัวและมีสติระลึกรู้รูปนามมากเข้าก็จะพบว่าอาการที่จิตเกิดพฤติกรรมทั้งหลายในเบื้องต้นนั้นเป็นเพียงความไหวตัวของจิต ย, ยิบยิบยับยับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นผู้ปฏิบัติยังไม่ทราบซ้ํา ไ, ไปว่าเป็นความปรุงแต่งในเรื่องใด เพียงเห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสติปัญญาก็ตามรู้ทันและความปรุงแต่งก็ดับไปดับไปถ้ารู้ไม่ทันนั่นแหละความไหวยิบยับจึงจะพัฒนาไปสู่ความปรุงแต่งที่หยาบขึ้นจนรู้ได้ว่าปรุงแต่งเรื่องอะไรเมื่อมันรู้สึกตัวและมีสติระลึกรู้รูปนามเสมอๆจะรู้ว่า พฤติกรรมทั้งหลายของจิตดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในลักษณะของความหิวอารมณ์โดยหิวกรรมคุณอารมณ์บ้างหิวอารมณ์อยากทําทานรักษาศีลหรือเจริญสมถะและวิปัสสนาบ้างและหิวอารมณ์สงบสุขของฌานสมาบัติบ้างพลังผลักดันให้จิตหิวอารมณ์หรือเกิดเจตนาที่จะแสวงหาอารมณ์นี้เกิดจากความไม่รู้แจ้งในอริยสัจ คือยังไม่รู้จักท่องแท้ว่าอารมณ์รูปนามทั้งปวงเป็นทุกข์จึงเกิดความอยากหรือความปรารถนาในอารมณ์เหล่านั้นเ <nói> มื่อรู้เท่าทันพฤติกรรมชั้นในของจิตได้อย่างนี้จิตก็หยุดพฤติกรรมทั้งที่เป็นฝ่ายโลกียกุศลและอกุศลเข้าถึงสภาวะรู้อันประณีตลึกซึ้งโดยไม่มีเจตนาจะเข้ามารู้สภาวะอันนี้ถึงจุดนี้ ผู้ปฏิบัติจะสามารถเห็นธรรมในธรรมทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกและเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นบ้างเสื่อมลงบ้างเรื่องนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมจึงรู้ได้พร้อมกันหลายอย่างนักแท้จริงจิตก็รู้อารมณ์ได้ทีละอย่างนั่นแหละแต่เมื่อปฏิบัติจนถึงจุดที่จิตไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ และไม่เกาะเกี่ยวแม้แต่กับจิตตัวเองทำภายในกับทำภายนอกก็จะถูกปลดปล่อยจนเสมอภาคเป็นสิ่งเดียวกันคือเป็นสิ่งที่ว่างจากความเป็นตัวตนจัดเป็นอารมณ์อันเดียวคืออารมณ์ไตรลักษณ์ที่มีรูปนามเป็นเพียงฉากหลังเพราะไม่มีความรู้สึกแบ่งแยกว่านี่จิตนี่อารมณ์นี่เรา นี่สิ่งอื่นนอกจากเรามีแต่ธรรมชาติอันเดียวกันรวดจัดเป็นความเป็นกลางด้วยปัญญาอันลึกซึง้งในสภาวะนั้นทุกสิ่งนั่นแหละแสดงความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปตามเหตุตามปัจจัยที่ไหลเวียนเป็นกระแสวัตฏะเรื่อยไปเมื่อรู้กองทุกอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นความจริงว่าอารมณ์รูปนามทั้งปวง ล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนที่จะครอบครองเอาไว้ได้ตัณหาคือความทยานอยากของจิตในอารมณ์ทางทวารทั้ง6ก็จะหมดไปจิตจะหมดพฤติกรรมการแสวงหาอารมณ์แล้วปฏิวัติตนเองไปสู่ธรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งปราศจากตัณหาและอยู่เหนือความปรุงแต่งทั้งปวงคล้ายกับว่าความเป็นตัวตน ได้กระโจนหนีลงบันไดไปต่อหน้าต่อตาทีเดียวถ้าพวกเราปฏิบัติผิดพลาดจากกิจในอริยสัจเราจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมไม่ได้เลยกิจในอริยสัจมีมี4ประการคือหนึ่ง ควรรู้ 2. ส, สมุทัยควรละ 3. นมมิโรดควรทำให้แจ้ง 4. มักควรทำให้เจริญ